คืนแสงจันในบานบ้านใดกันไม่ยืนเดียวดายเพียงมาชินชมดอกไม้หรือมาพบมาคอยใครตายเงาแสงจันกลางค่ำคืนแสงดาวกาสลองพร่งรางพร้าขาวนวลเต็มลา มีใครถึะพอสงสารให้ที่พักคนเดินทางได้พอพึ่งพาขอฝากตัวฝากใจคงฝากไพยมานักเจอผู้ใดก็ฮักไปเรื่อยกา้าบอหัาฝากใจไพ่รับเอาไว้ถิหนาสัญญาว่าไม่มีวันขอคืน ตเพียงถ้อยคำสัญญาจะเชื่อใจได้กา ว, ว่าจริงเพียงใดเชื่อฟ้าดินสัญลักญณ์รักที่ให้ไป ใจหองฝาภัยมานักเจอผู้ใดก็หักไปเรื่อยกาข้าบหักฝากใจพัยรับเอาไว้ถิดนาสัญญาว่าไม่มีวันขอคืนทั้งตัวทั้งใจง เ, เพียงถอยคำสัญญาจะเชื่อใจได้กา ชืฝ้าดินสลายสัญญารักที่ให้ไปไม่ลืมร้างลายป่าพันหวานจะไว้ใจได้กาอู่พระพระจะไว้ใจได้กาตาสิส้งๆงจะไว้ใจได้กา จะไว้ใจได้กาตัวสูสูจะไว้ใจได้กาคำอ่อนอ่อนจะไว้ใจได้กาอยู่เมือนไกลจะไว้ใจได้กา บ, บอ ก, ก, กเธอเจ้าจะไว้ใจได้กา